พระสัจฉณาประเทียนเล่มมาหนาสะเคาะตัดตุ้ดันนี่พระพุทธเจ้าองค์ตัดตุ้ดันซึ่งพระปาพระพุทาสัจาออกมาผีเลกแค่โดยแสงพันห้าร้อยจุดแปดปีอือแสดงว่าพระพุทธสัจนณาที่ปะเทีอนโลกมาได้ห้าร้อ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 มวนอนหลับทักทิดเพิอยู่เมื่อไรจะตื่นพามาโลกนี้ไม่นนมีไฟใดที่จะยิ่นร้อนยิ่งจากไฟที่เดืตัณหากท่านยังไม่ทราบเูหรือว่าไฟกองนี้เป็นไฟที่ทผโลกมาเป็นเวลานลานว่าทำความเสื่อมเสียแต่โลกกคือคที่เดืตัณหาเหลา่านี้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 ออกได้โดยลำดับขั้งแรกขอมีเป็นแต่พิธีทั้งห้ามีพระอัญญาภูริยะเป็นต้นได้ดวงตาสิน็นธรรมแลได้บังลุกธรรมเป็นลำดับถึงห้าองค์เมื่อท่านพูดตื่นแล้วจากหลับสนัดตัดไปที่เหลือทั้หาอัจฉ ร, ริยออกจากจิตใจใจนโดยที่งสุด แล้วลำดับต่อไปก็ปลุกไปเรื่อยๆตัวภูมิภาคโซกิมานันดูกระทั่งลุ่มเริงเปนอะไรความเรื่องเรงเหล่านี้นะเจ้าของวิเศษวิสูจน์อะไรนอกจากเป็นเชืวไฟที่ทำเผาตัะเอนหลังจากความเรื่องเริงกลำดับรงไปแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นบรรดาผังภูมิปุรีอันเบาบาง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 สังับคิดใจไม่ลงเลยก็คือท่านคือค้นจากทุกค้นจากที่เหลืนี้แหละเพราะนั้นจึงพูดได้อย่างเปนตากว่าที่เหลือเท่านั้นเป็นเส้นปกปิดกำบงังเหตุผลดีเพื่อท่นเนทางท่าเดินเพื่อความสงบสุดเรื่องยุ่ของโลกหากที่เหลืออกจากใจเสียอย่างเดียวสุดผลก็เด่นชัดความคิดก็เด่นชัดความถูกก็เด่นชัด เติมใจทั้งการละการถอนเติมใจทั้งการบำเพ็ญทำด้วยความจนบุกเติมใจด้วยการทั้งนั้นและผลที่ถึงได้รับก็เติมอับเนิมทำเติมจิตเตินใจเติมขั้นเติมผุท่านทั้งหลายด้วยวิปามาจากทางไกใจมาคลองหลวงได้ดุนดั่งมาได้ความเสียสละ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 พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแสอนโลกนี้เป็นธรรมที่ถึงใจครูรู้รู้อย่างถึงใจละที่เลิกอย่างถึงใจถึงความสุขที่มุดอย่างถึงใจเป็นความจริงอย่างถึงใจทุกส่วนแห่งธรรมที่เรียกว่าสัวคาตธรรมกราบเลิกชอบแล้วอย่างถึงใจไม่มีอะไรเคลื่อนแสบเชื่อแสงสงเคลื่อนแสงสงใสที่ว่าแต่ว่าทํามเหล่านี้ไม่เป็นไปเพราะความคนถูกเมื่อผู้ปฏิบัติการ ให้ถูกต้องคำหลักมัทิตาที่สอนไปแล้วหนึ่งทำนี้จึงเวียดอ้วกนิยามนิจัดทำเป็นธรนนรม ท, ท, ที่จะยังผู้ผพปฏิบัตษษษษษษษษิให้ดุค้นจากทุกข์ได้โดยลําดับจนกระทั่งถึงค้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเพย์แคหลักธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่มีโอวาทไม่มีคําสอนของทาง่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้ที่จะยิ่งกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้า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 นอกจากโลกจะไม่สามารถที่จะพุทธปิบัติได้เท่านั้นควนรทำเป็นสิ่งพุทประกาศทํางวันอยู่ทั่วโลกเพราะความทุกข์มีอยู่ทั่วโลกทั้งฐานที่มียุงยางก็จะเปตนใสก็ตามบุคคลก็ตางทำจนประเทืออเทื่วโล ก, ก, พกเพื่อศึกษั้ท่านไม่ทรงค้นพบพระองค์เดียวแลวนัน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 เรื่องการสถานที่หรือมรรคผลมิพ า, านนั้นไม่เป็นปัญหาอันใดที่เราจะไปคิดให้เสียเวละแยมิลา น, นอกจากจะสนใจในการพิสูจน์ปฏิบัติการจัดคุณฤทธิ์ที่เป็นภัยจากตัวมุ่งนี้เท่านั้นด้วยควอมปฏิบัติท่านมีงามดำที่ท่านสอนไว้ที่เรียกว่ามัจจิมามัจจิมารทำนี้เท่านั้นเป็นเครื่องรับรองยืนยันเทั้งก า, ารแก้คุณฤทธิ์ปัญหาอสระให้หมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในใจทั้งความรู้แจ้งแท ง, ทงทตลอด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 เพราะว่าทำ่ังสอนคำอุปนิจ้ายังมึนอยนั่นเป็นความคิดของโง่พระบุตเโือพระธรีคือคิดอ อ, ออกมาด้วยความดุนดาวเสาะนาแทนที่เหลือปกครองผู้หมไม่มองเห็นเหตุเห็นผลนต้องเห็นตายแล้วประพูดออกมาตามภาษาใต้ตาทั้งตนซึ่งแล้วคาพูดเหล่านี้ด้วยความอื่นเหลานี้ไม่จากเข้าในกดเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องดังหลักนัตติมา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 ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขายก็เป็นภูเขายดินท่าอากาศก็เป็นดินท่าอากาศสินใดก็เป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เปสิ่งที่จะมาจีบจังอางําเนินเที่ยวนักขุดนิทานนอกจากเสลี่ยที่ต้นอยู่ในหัวใจหรือติดจิตใจของเราอย่างมิคุดไม่มีจางวันจางคืนมืดเต้ไปหมดนี้เท่านั้นนี่แหละที่เทื่องตุดกั้งนักขุดนิทานไม่บรรดาจับทั้งหลายนี้ ธรรมชาติไดเล่าคือแะโเปด่งที่ปกสิดกำบังจิตใจอย่างนี้ให้ออกไปได้โดยหลักก็มีหลักมัตติมาสรุปความเมืองให้เห็นธาชาติในหลักอ ร, ริยกัจจธรรมทั้งสิ่งแล้วก็สิ่จอกัจจธรรมสองประการเป็นเครื่องปกปิดกำบังจิตใจของตัดโลกมา พ, พ้นจากทุกข์ไปได้คือทุกข์กับสิมืองไทย สมุทัยค <ด Get S 1> ือเรื um ่องของกิเลสโดยตรงคุกเป็นผลของกิเลสที่กขึ้นมาให้เกิดความรนร้อนแตกใจของกัมโลกมีเป็นเครื่องปกปิดัจมังไม่ใช่ภูเขายิงฟ้าอากาศเป็นเครื่องปกปิดจิตใจเพื่อไม่เห็นไม่เล็นที่ทางแต่เป็นกิเลสประเภทเหล่านี้เท่านั้นนะสิ่งที่จะบุกเบิกกิเลสประเภทเหล่านี้ออกได้คืออะไรถ้ามีหลักมัธยมมา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 ขปสายอหลายมัมนยังไรผิดแปลตแตกต่ารจากกันเลยฉะนั้นกามประานที่จะเป็นเครื่องสกปิดกำลังหรือเปนเคื่องเครื่องจิตกนนั้นมรรคผลิภานไม่ให้บรรลุนั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากเฉลยอดภายในเขาหาใจของสาโรโลกฉะนั้นเป็นเครื่องจิตท่านตนเองแม้แต่ช่างพุทธการก็มีเป็นนี้เหมือนกันเราอย่ามาตั้งแต่สมัยพุทธการนั้นท่านบรรลุมาผลิภานได้สมัยไม่บรรลุม่ได้แม้สมัยนี้นา ม, านมันพัฒนาปฏิบัติ การตัดวเริยะก็หลุดพ้นกันไม่ได้นม้นจะเกาะชายีวั น, ธธาาน ข, วของพระุทธ้าไปก็ตักแต่ว่าเกาะเหมือนโซลินเกาผ้าอะไรตรงนี้ในทเนใดก็หลุดอะไรจุดสาคัญยขง้นอยู่กับการกปฏธธิบัติวิริยะเป็นประเภทเดียวกันในสมัยพุทธกาลซึ่งอยู่ในหัวใจของสัมโลกมีความโลภความขู่ความหมืองประเเดียวกันนี้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 ทำไม่สามาจถที่จะหยุจา บ, บเราเราจึงต้องปิดกันนะ้นมะขุนิพันธ์ตัวเองแม้จะอยู่ใ น, ในสมัยสร้างอุตตรการก็ตามมาสมัยนี้ก็ตามถ้าทาแบบนี้ก็คือแบบปิดกั้นตัวเองมนะขุนิพันธ์ต้มีอยู่ในบุคคลคนนั้นตลอดไปไม่ว่าสมายายัยใดหากที่เด็ในฝังตน ม, มีพานาจิตใจไม่้นใจที่จะแก้ไขมันแล้วผู้นั่นแต่ก่อคพผู้สร้างเาะสร้างน้ำให้เป็นหยาดย่าและทำลายตัวเองเสมอ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 พอไม่ทําตามวิธีการที่ท่านสอนไว้จำไม่แต่ชื่อก็จะเกิดประโยชน์ความจำกับความจริงนั้นมีความผิดกันคนนัโลกความจำเราจําได้มากนะอย่างไรก็ตามจําสุดจํคาถาบารีจนกระทั่งจบเข้าใจดีดุแต่การเรีอนการพูดอย่างนี้ไม่ได้สรมติธรรมของพระพุทธเจ้าเราพูดตามความผรดงลราจะเรียนจบจบเข้าใจดีดุก็ตามที่เด็ดนี่นั่นชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นขัดขืนอะไร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 จะเบ้านคนเมืองทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอยู่เ็นเมืองมากมาเราจะจดจำชื่อของเื้าโทนหรือของเสือนั้นได้ไอย่างไรจกระทั่งถึงโทษแท้ของเสือนั้นก็ตามแต่เมื่อยังจับเสือนัอ้นมาเข้าคุกเข้าตรงไม่ได้เมื่อไรก็คือเสือนั้นที่เราจำชื่อจาโทษจาแท้ของมันได้โดยดีนั่นแหละจะเป็นผู้ต อ, อคาวามยุ่เยงเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอยูไม่ยุดไนถอย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 ความจําได้เป็นความภาพหมายแต่ความจริงเป็นความปรากฏเด่นชัดขึ้นกับตัวเองเพ่อเดียวกั่รับทานอาหารหวานก็ทาบเป็นก็ทราบแตจความเราได้ได้ยินแต่ชื่อว่าหวานาง น, นั้นเป็นอย่างนี้อาหารประเภท น, นั้นหวานอย่านั้นเกลืออย่างนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นความจําำพอพอมาถึงที่วิทยรศาสตรของเราได้ทราบผ่าจินแล้วเราก็าหายสงสัยเมื่อเข้าถึงความจิงแล้วว่าทางโลกทางธรรมหายสงสัยได้ด้วยกัดสิ่งนั้นนั้นนี้ ถนนเอนทางมีความเริเยั่งยืนอย่างนั้นอย่างนั้นพอเราได้ยินเราก็มาดภาพขึ้นตามที่แบบเหมืองนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นนั้นพอพอเราไปเจอความจริงเ็จริงเราเห็นด้วยการเรื่องเราแล้วปัญหามันก็หมดไปเองเพราะนี่คือความจุดเรื่องสมาธิเป็นต้นข้อเช่นเดียวกันเราจำได้แต่ที่ของสมาธิว่าเป็นอย่างนั้นดังนั้นมีความไม่หาเฉงใสมีแต่คาดมีแต่เนื้อยู่เรื่อยๆแต่พอมาปลาปดขึ้นใจแล้วคําว่าสมาธิกับ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 ปัญญาคืออะไรคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมที่จะขอดถอนที่เหลืออสระไม่ใช่ความเสลียวฉลาดที่จะทำเรื่องโยนเป็นไกเรื่องเหาะเรื่อดบินกระโดดดาวเทียมขึ้นประทุษจัณ์อะไรทั้งๆิแคุ่กเป็นไม่ได้ความเรลียฉลาดแบบนั้นก็าไม่เคยสะดวกดูไม่ดูความเฉลียวฉลาดนั้นยังก่อโลกให้เดือดร้อนข้อีกด้วยถ้าติดทาง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 เป็นอ่อนเป็นน้ำก็เป็นธาตุน้ําลงมนลมอายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมไฟคือความอบุ่นภายในร่างกายทั้งเรียก ว, ว่าธาตุไฟทั้งสี่อย่างนี้มาผสมกันเข้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุนคคลโตที่มีจิดเข้าไปสิงสู่อยู่ในสถานปีนั้นแด้ถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นตนของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอันนี้เราแยกัเห็นตามความจริงของของธรรมชาตินี้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 เราทำไมถึงมาถือธาตุตดน้ำลงไฟซึ่งรวนหมุนในตัวของเรานี่ว่าเป็นไงนันก็เป็นความเห็นผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาทิงแย่แยะลงไปเพื่อเห็นตามความเป็นจริงว่านี้ก็คือธาตุเนเดียวกับบติภายนอกม่เป็นแตเพียงว่ามัดมารวมกันหมเขาถะธาตุติดน้ำลไฟแย่แยะกันดูให้เห็นอย่างชัดเจนถ้าพูดถึงอนิจจังก็มีความแปรสภาพอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งกลางคืนกลางวันดืนเดือนั่งนอนไม่มีอิยาบุไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่ความแปรสภาพอีู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 เดินบ้างเดินบ nice ้างนั่งบ้างนอนนอนบ้างนือก็หายนะไรกระลั้นพอะไรบ้างก็บรรเทาควางทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวเองนี่เรียกว่าทุกข์มีหรือไม่มีในตัวของเราเราหลงทุกข์ไปที่ไหนทุกข์อยู่ในตัวของเราทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติต่อทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่ทราบว่าครามทุกข์นี้มาลังความหรือลังใจหรือยู่ข้างใรอยู่หรือเปล่าธรรมะเราจะเรียนที่ไหนถ้ามาเรียนในธรรมชาติที่เป็นความจิงเหล่านี้ซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี่ท่านเรียกว่าัญญาธรรมะนักปาก็เอย่างชื่อว่า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 ขนาดอย่างนี้ขนาดปัญญาเพื่ขอขอกขอนนเดิม ป, ปัญญาที่ถูกต้องก็คือเมื่อมีความฉลาดอย่างไรก็ยกตวให้้ น, น, นจากทุกขกระไดเดิมหลัแบบไม่ต้คว้ากองทุกมาเผาเรื่องตนเดิทั้งที่ตนไม่เป็นฉลาดทังทั้งที่ทงทงทงโงกแค่ตายเหมือนกันพรยังทำาัวไม่เป็นฉลาดนั่นคือตีงโง่ที่สุด ข, ของโลกโดยตรงตามหลักธรรมเวทีนั้นท่านเรียกว่าความฉลาดถ้าเป็นไปตามหลักธรรมเป็นนี้เป็นปัญญา พิจนาที่ใารอย่างนี้พเมันจะละเอียดขนาดไหนมีลึภานในจิตใจทนปัญญาไปไม่ได้ปัญญาก็กาบล้างไปหมดสิ่งที่ปาศต้องเตียมคือความบริสุรธิ์บิสุทธิเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะยังทรงชักงอยู่ก็ตามแต่ปฏิพานนานแต่เดาแค่ไหนก็ตามตามสมมติยมจะไม่เป็นปัญหาจะไม่เป็นเชื่องมาติดกันนักสุนิพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบติชอและขอถอนพิเรนได้โดยชาบธรรมนี้ได้เลยที่พระพุทธเจ้าท่านสอน คงคงสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเอาตาทพธิ์นั่นหมายถึงอะไรตาโพธิ์คืออะไรธรรมคืออะไรธรรมก็คือความจริงยู้ความจริงเข้าไปเดิมหนับก็ชื่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าเขาเดิมหนับองพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่เรือนร่างข้าสึดินน้ํำลมไปนี่เป็นองค์พระพุทธเจ้าแต่หมายถึงความบริสุทธิ์ที่มีประจําพระทัยของพระองค์เมื่อเราเห็น ใจของเรามีความสว่างกระจ่างแจ้งเขาไปเดิ่มหนับเติมหน้าน่านชอบปฏิบัตินั่นชื่อว่าเราได้เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าโดยลำดับๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงเราถึงขั้นเห็มุขคดียดเช่นจะพิจารณาทั้งสองนั่นแ่คเราเห็นหลักฐานพุเต็มองค์ทีเดียวเมื่อได้เห็นขึ้นแน่พระพุทธเจ้าจะไม่ผ่านนานไปสักกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันไม่สำคัญเป็นไปเพียงการสถานที่หรือสมมติยมที่ว่ากันไปคุทธานั้นจะมีมิพานที่จะมีต่าที่ไหน ทำไม่มีปาช้าิพานไม่มีปาช้าความมีสุขไม่มีป่าช้าไม่มีในางทุกขังสตาพระตหยีย่ำทำลายความเหล่านี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงความเหล่านี้แล้วจึงเป็นผู้หมดังวลทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะพระตะหยีบย่ำทำลายหรือกอบโกนได้เลยเราต้องกาไม่ทำเห่านี้หรือต้องการต้องจัดไปที่ไหนตุกข์ก็เดือดร้อนมิจะทุกข์หยีบย่ำทำลายตลอดไปเนี่ยที่ทําทำมานจารักจาอย่างนี้เพราะพุทธเจ้าสุขค้นแต่โลกพ้นอย่างนี้เลยไม่ถูก อะหยาบย่ำทำมาตั้งแต่ขณะที่ตรัสรุแล้วจนกระทั่งถึงอัจจุบนแัะนตลอดสายไปเลยเนี่ยทำผู้ที่พ้นและผู้กูประเสริ์จะเกิดอย่างนี right? yes, ้ทมก็ได้แสดงความแปรางวนกระจัางแจ้งให้หลุดใบเห็นตามหลักความจริงถ้าสงฆ์าวก็ได้หยุดพ้นปตการพระพุทธเจ้าพอการพระพุทธปฏิบัติจำจัดที่เดชให้หมดแต่ใจิตใจของคนอื่น่านั้นจึงเรียกว่าพุธทางพมังตั้งหงเทาันเาน้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 พระุทธารงสอนนั <Reading> ่ะจนกลายเป็นตัวขึ้นของวขึ้นมาด้วยความม่สุดอย่างเต็มเต่มที่แล้วนั้นแหละทิพุทางธรรมทั้งคางสั้างฐานนี้ขงเราอย่างแท้จริงไไหนไม่จากกะจากทุตังธรรมทั้งคังนี้เลยไม่ว่าอิรยาบถใดแม้พระพุทธเจ้าจะทรงเผยบยู่ก็ตามพอไม่สงสัยผู้ระทุนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรีพานไปแล้วก็ตามเขไม่หวั่นไหวเพราะความจิงเท่ากันความรู้ความเห็นความจิงนี้มีเสมอกันเนี่ยนะนักื่เอโยาิโยตั้งแต่พระพุทธ ขั้งจากพระสาวฤทธิ์ส่งแรกจนกระทัองค์สุดท้ายเมื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมดพระพุทธเจ้ามาป็นุขนี่หลักธรรมของพระธเ้าเป็นอย่างนี้สำคัญก็คือปฏิบาตเรียนเน้ให้ปฏิบทติเรียนด้วยเฉยจำดเฉยแล้วมาโอมาอวดตันฟุ้โม่ไปหมดไม่เกิดประโอะไรหมดน้ำลาย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 แะมีุีดเด็ดเช่นเดียวกั น, กนสามารถแก้แก้ขีดเด็ดนั้นให้หมดไปได้เช่นเดียวกันกับกับฮะและเช่นเดียวกันทุพเทิดไม่มียิ่งใหญ่ต่อการจึงขอยุติทำ เ, เพียงแต่นี้ถามว่าท่านผู้ใดมีข้องวามอะไรจะศึกษาตลอดทางเพราได้ในระยะต่อไปละยุติ